กับหนึ่งก็ตั้งแต่โลกเกิดโลกแตก <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาคนคว้ามากนะท่านจะคิดว่าทำยังไงจะได้ทำยังไงจะได้จยคนคว้าอย่างนี้จนถึงนาทีสุดท้ายไม่ทำอะไร น, ะนั่งนิ่งๆ น, นั่งดู <c oughs> มานมาเป็นกองทัพนั่งดูนะนั่งดูไปทีแรกละลึกชาติเนะี่ยยามต้นละลึกชาติไปก่อน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 จนกระทั่งจิตใจมีความสุขละเช่นเป็นหนุ่มๆก็ไปจีบสาวมามีความสุขละความสุขอยู่กระเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวมันเริ่มทุกอีกแล้วเพราะมันอยากเรื่องอื่นอีกแล้ะมีหนึ่งคนทุกข์นะสองคนถ้าจะดีเนี่ยยิ่งทุกหนักกว่าเก่าอีกหลายๆคนสองไม่ได้ตำราบโบราณห้ามต้องสามก็จะพอมายิ่งทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นอาราเยอะขึ้นเรื่อยๆ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 เมื่อก่อนมีเพลงนะสมัยหลวงพ่ อ, อยังเด็กๆผมเท่าไหร่ไม่รู้จัดเต็มไม่เต็มหรอกเท่าไหร่ก็ไม่พอมีไ ฟ, ฟฟ้าห๊หลายคนยิ้มนีม่คนเจนเนอเรชันเดียวกัน <c oughs> พวกใกล้เกษียณเนี่ยดูลงไปอย่างนี้นะี่เห็นเลยจิตใจเนี่ยโอ้หุดหาหาความสุขมาให้ก็อยู่ไม่นานหายไปละเดี๋ยวๆความทุกข์ก็มาอีกแล้วก็ต้องดิน้นหนีนะดิ้นรนไปเรื่อย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 มีองหนึ่งมาบวชอายุคงเยอะแล้วมาบวชนี่ท่านภาวนาอย่างไงท่านก็ไม่จบ ส, สักทีตอนเช้าท่านไปเข้าส้วมส้วมของปลาเป็นส้วมหลุมนะส้วมปลาโบราณขุดหลุมผ้าอาไม้กระดานผ้าปักหลุมเข้านะถ่ายใส่หลุมนี่ตอนเช้าเนี่ยยังพระทียังไม่ขึ้นไม่ว่ายัางไม่ได้อารุณพระต้องมีผ้าสามผืนอยู่กับตัวผ้าไตรต้องอยู่ครบ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 แต่ว่าไม่ได้ใส่ปูนขาวไม่มีปูนขาวใสนะนอนเนี่ยก็เริ่มตะเกาะขาท่านยืนอยู่บนกองอึนะแล้วก็นอนไต่ขึ้นมาท่านหยิบสังกติขึ้นมาแล้วก็เอ้ยขยักขยงอยากปีนขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็นึกนะว่าเออเราภาวนามาหลายที่นะไม่ได้เรื่องเลยลองมาภาวนานในนี้ดูบ <c oughs> ่าเอาทนมันนะนอนไต่ขึ้นมากระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะ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 สองขณะบ้างสามขณะบ้างคนไหนซึ่งยินรียไม่แก่กล้ามากตอนที่จิตรวมไปทีแรกเห็นสภาวะธรรมก็จะเห็นสามครั้งแล้วเมาเห็นนิพพานตอนได้ได้ได้ผลจะเห็นสองขณะแต่คนที่ยินรียแก่กล้านะเห็นสภาวะทีแรกสองขณะแล้วจะมาเห็นนิพพานสามขณะเห็นยาวกว่ากันเนี้ยยินรียไม่เท่ากันผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เท่ากัน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 สโสดากับปุถุชนนี่แทบจะไม่มีอะไรต่างกันนะสโสดาระมิจชาทิฏฐิได้เท่านั้นแหละละความเห็นผิดได้ส่วนโรคปวดหลงอื่นๆก็เหมือนปุถุชนนั่นเองเพราะฉะนั้นสสดาร้องห่มร้องไห้นะไม่ได้ใช่เรื่องแปลกอะไรถัดาจากนั้นก็หมดเวลาแล้วเชิญไปทางข้าว